ทุกใจเรามักจะโทษสิ่งภายนอกหรือว่าโทษเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราว่าเป็นตัวการทำให้ทุกข์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามตัวการหรือสมุทัยแห่งความทุกข์ที่สำคัญเนี่ยก็คือใจของเราหรือ พุโคือการวางใจลดั้ความสึกนึกคิดและสึง่งหนึ่งทีสมัคก็คือความอยากความคาดหวังในใจเราเองนี่ เ, นเป็นตัวการที่ผู้คนมักจะมองข้ามตัวการแห่งความทุกข์ที่จริงียว่าแต่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเช่นความสูญเสียเนะมทั้งเวลาเราได้เนี่ย ได้โชคได้ลาบแต่แล้วก็จะทุกข์ก็ได้นะก็เกิดว่าเราปรารถนาหรือคาดหวังอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากแต่ว่าได้มาน้อยก็ย่อมนะทุกข์นะทั้งที่ใครๆก็อยากจะได้แต่พอได้ไมาแล้วก็ยังทุกข์เพราะ คาดหวังมากแต่ว่าได้น้อยที่จริงน้อยหรือมากเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคาดหวังนั่นแหละ10บเนี่ยนะ บ, บาทเนี่ยมันมากนะถ้าคาดหวัง5บาทแต่100ล้านเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นน้อยได้นะถ้าคาดหวัง2อ0รล้าน500ล้าน น้อยหรือมากเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความคาดหวังหรือความต้องการความปรารถนาได้มากได้คาดหวังมากแต่ได้น้อยมันก็ทุกมีอาสาสมัครคนนึงนัแก่ําหน้าที่รับคุยโทรศัพท์สายด่วนเมื่อหลายปีก่อนเกือบสิบปีมาแล้ว คนที่มีความทุกข์กลุ่มใจบางคนเนี่ยคิดอยากจะฆ่าตัวตายพอได้มีโอกาสได้โทรศัพท์พูดคุยระบายกับคนแปลกหน้าทางฮอตไลน์รู้สึกดีขึ้นเรืเ ม, มสาสมอ ค, คนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยมีคืนหนึ่งนะมีคน โทรศัพท์สายด่วนมาจะเครียดมากฟังดูก็รวดเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่ไม่รู้ชื่อนะเพราะว่าป ก, ปกติการพูดโทรศัพท์สายด่วนนี่เขาให้ทั้งฝ่ายต้นสายปลายสายนี่เป็นนิรานามปลายสายจะเป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยเครียดมากนะเพราะว่าธุรกิจนะที่รับผิดชอบเนี่ย มันแย่มันล้มเหลวถามไปถามมาก็ปรากฏว่าไม่ใช่ว่าขาดทุนนะกำไรแต่ว่ากำไรมันน้อยน้อยนี้เท่าไหร่นะห้าพล้านที่เคลียดเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมันได้หมื่นล้าน ปีก่อนได้หมืล้านแต่ปีนี้นะฮะพล้านก็คือความล้มเหลวครั้งใหญ่เรียดจนจะคาดตัวตายห้าพันล้านนี่มันไม่น้อยเลยนะแต่พอคาดหวังหมื่นล้านสองหมืล้านเนมันกลายเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจแสดงถึงความล้มเหลวนี่ขนาดไม่ได้ขาดทุนนะ ความคาดหวังคนเราเนี่ยมันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีมันทาให้เราเกิดความเพียรพยายามเกิดความหวังแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเป็นตัวการสร้างทุกข์ให้กับเราได้แม้ว่าเราจะเจอสิ่งดีๆก็ตามอาหารอร่อยแต่ถ้าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้ พอกินเข้าไปก็ไม่พอใจไม่ใช่เพราะไม่อร่อยนะแต่เพราะว่าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันราคาแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นร้านหรูโฆษณาสร้างความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยอร่อยมากๆพอคาดหวังสูงแต่ว่าเจอความอร่อยที่มันต่ากว่าความคาดหวังก็ ก็ทุกเท่านั้นเองเกิด ค, ความไม่พอใจไอ้ความอยากความปรารถนานี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันหนึ่งนะผู้เจ้าก็ตัดใบเราก็เสิร์ฟมาทุกเช้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ที่จริงไม่ใช่ไม่ได้เลยน่าได้แต่ได้น้อยกว่าความคาดหวังหรือได้ไม่สมอยากมันก็ทุกข์ แล้วก็ไปโทษว่าได้น้อยได้น้อยแต่ว่าลืมมองไปว่ามันเป็นเพราะความอยากของเราหรือเปล่าเป็นเพราะความปราถนาของเราหรือเปล่ายิ่งขนาดได้นะยังทุกข์เลยถ้าไม่ได้หรือเสียเนี่ยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าสืบสางจริงก็ทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละอยากจะได้แต่ไม่ได้ อยากจะได้แต่ว่าเสียมันก็ยิ่งทุกข์เลยเพราะขนาดได้มาแต่ใกล้น้อยกว่าที่คาดหวังยังทุกข์เลยนัภาษาเลยก็ว่าไม่ได้นะกลายเป็นเสียแล้วมันไม่ใช่เฉพา ะ, ะความคาดหวังในทางโลกๆนะหรือว่าความคาดหวังที่เกิดจาก การกินการดื่มการเที่ยวหรือการทำมาหาเงินไม่กระทั่งเวลาเราทำความดีเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลจากความดีมากเกินไปมันก็ จ, จะผลอาจจะส่งผลย้อนสะท้อนกลับนะมาสร้างความทุกขให้กับเราก็ได้ ถ้าทำดีเนี่ยย่อมได้ดีนะแต่ว่าไอ้ดีที่ได้กลับมาถ้ามันไม่ตรงความคาดหวังมันก็ จ, จะกลายเป็นความผิดหวังและเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้กับดักของการทำความดีการทำบุญทากุศลก็คือการสร้างความหวังหรือมีความคาดหวัง เกิดเลยจากความเป็นจริงไปอย่างบางคนเนี่ยขยันทำบุญนะขยันให้ทานแต่ว่าทุกข์เพราะว่าทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีผิดหวังทำบุญมาเป็นปีปีสิบปีแล้วยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลย เกิดความทุกข์นะีไม่ใช่ทุกเพราะว่าเจอเหตุร้ายแต่ทุกเพราะว่ามันไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีเพราะอะไรเพราะคาดหวังว่าเนี่ยถ้าทําบุญมากๆทําบุญบ่อยๆทําบุญเรื่อยๆนะจะมีโชคมีลาภพอโชคลาภไม่มาสักทีก็ผิดหวังเสียใจ ที่จริงโชคลาวจะมาะแต่ไม่มาในในรูปที่ตัวเองคาดหวังคือไม่ได้มาในลักษณะการถูกรัตเตอรี่ระงวันที่หนึ่งแต่มันมาในลักษณะอื่นแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะจ้องมองแต่ว่าจะถูกรัตเตอรี่เมื่อไหร่เพราะคาดหวังแต่เพียงเท่านั้นบางคนในถึงก็บอกนี่ไม่ไม่ทำบุญละทําเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกรัตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่งสักทีหรือจะว่ารางวัลที่หนึ่งเลยเนะี่ราวันที่สองสามสี่ห้าก็ไม่เคยถูกผิดหวังเลยเลือกทำบุญบางรายนี่พอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยเกิความรับแค้นว่าทำไมทำดีไม่ได้ดี อย่างเมื่อ 30-40 ปีก่อนนะหรือ50ปีก่อนนี่มีไฟไหม้ใหญ่นะที่สุริน์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีบ้านเรือนหลายร้อยหลังคานะถูกไฟไหม้วายวอดคนนับพันครอบครัวนะต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมาย มีโยมคนหนึ่งมาพูดเข้าหูหลวงปูดดนะป่ดุลนะหลวงปู่ดุลนี่วัดท่านก็อยู่วัดบุรพารามเนี่ยกลางเมืองสุรินทร์พูดทานองตัดพอนะว่าเนี่ยบ้านเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำบุญพ่อแม่เขาก็ทำบุญนะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารตัวเขาเอง ก็ทาบุญเป็นเจ้าภาพกระถินก็เจ้าภาพภาพป่าก็หลายกองทำมาตลอดแต่ทำไมจึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ผิดหวังมากครับแค้นใจก็ถึงประกาศว่าเนี้ยต่อไปก็จะเลิกทาบุญแล้วก็คงจะคิดว่าจะเลิกเข้าวัด้เนี่ยดนะูท่านได้ยินะท่านก็บอกนะก็เปรยขึ้นมาว่าเนี่ย ไอ้ไฟมันก็ทำหน้าที่ของมันนั่นนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความวิบาิความอันตราธานความพัดพลาดความสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมะประจำโลกนี้คนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่ฝ่ายธรรมเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะวางใจอย่างไรจรึงจะไม่ทุกข์ อย่างนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะทำให้ไม่แก่ไม่ตายไม่หิวไม่โดนไฟไมหม้ท่านผู้ต่างสนใจนะหน้าที่หรือประโยชน์ธรรมะคือทำให้เราวางใจได้ถูกต้องว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ทำอย่างไรวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์อีหลายคนที่ทําความดีเศร้าบุญเศร้ากุศลเนี่ยที่ทํามาดีนะน่านุโมทนาน่าสรรเสริญแต่พอไปคาดหวังว่าเนี่ยจะต้องไม่เกิดเหตุร้ายไม่สูญเสียหรือจะไม่เจ็บไม่ป่วยแบบนี้มันเป็นการคาดหวังที่เกินความจริง ว่ราธรรมชาติคนเราเนี่ยออธรรมดางคนเราเนี่ยมันก็ต้องนะมีความสูญเสียมีความพัดพรากเป็นธรรมดามันไม่ใช่แค่ว่ามีหรือได้เท่านั้นแต่ว่าหมดกับเสียมันก็เป็นของคู่กันอย่างที่เราสวนาสักคู่เนี่ยะเรามี ความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะมีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นทุกคนน่ะไม่ว่าใครในจอมศูญเสียพัด พ, พากความเป็นธรรมดาของโลกเป็นอนิจจังยี่งถ้าเราทําดีสร้าหมุนสร้างกุศลเราไปคาดหวังเกินจริง เกินจริงก็คือมันตรงข้ามความเป็นจริงนะว่าเนี่ยขอทาแล้วหวังว่านี่จะมีแต่รวยมีแต่รวยมีแต่ได้มีแต่ไ ด, ได้ไม่มีเสียหรือคาดหวังหวังผลว่าเนี่ยจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้มันเกินจริงนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยไม่ว่าได้เท่าไหร่ มันก็ย่อมมีเสียมีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับพบกับพลากเจอกับจากเป็นของคู่กันจะคาดหวังว่าเนี่ยบุญจะช่วยอำนวยให้ไม่เจอกับความพลาดพลา ด, ดสูญเสียเลยเนี่ยไม่ได้นี่ถ้าทำบุญแล้วเนี่ยนะคาดหวังแต่พอดีหรือยิ่งกว่านั้นคือว่า เปิดใจรับความจริงเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนะไม่ใช่เแต่ทําบุญแล้วก็ไม่เรียนรู้สัจธรรมความจริงว่ามันเป็นอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเป็น น, นิจจังอันนี้เป็นกับดักของคนที่ชอบทําบุญทำกุศลนะเป็นกับดักที่หรือว่าเป็นหลุมที่ขุดให้กับตัวเองก็คือว่า ทำบุญทำกุศลแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่เกินจริงหรือว่าคาดหวังในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความจริงบางทีความคาดหวังนันก็ปิดกั้นไม่ให้ใจเปิดรับความจริงนะว่าอะไรแลร้วก็ไม่เที่ยงนะความแก่ความเจ็บความป่วยความสูญเสียพาดพราพเป็นธรรมดา น, นี่คือสัจธรรมถ้าเปิดใจ ย, ยอมรับความจริงนะถึงเวลาสูญเสียไปมันก็ไม่ทุกข์ แ้วถ้าเกิดยอรับความจริงหรือตระหนักถึงความจริงที่ว่าเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไม่ควรคาดหวังอะไรในลักษณะนั้นเพราะมันเป็นความคาดหวังที่สวนทา ง, งความจริงนี่พอเจอความสูญเสียว่าพราเนี่ยบางคนไม่ทุกนะเพราะเขารู้ว่าความจริงหรือสัจธรรมมันเป็นเช่นนั้นเองแต่บางคนก็ทุกมากนะเพราะว่า มันสวนทางกับความคาดหวังแพอทุกแล้วเนี่ยก็ตีบวยวายตีพยตีพายถึงกับประกาศว่าจะไม่ทําบุญจะไม่ทํากุศลจะไม่เข้าวัดนี่ยิ่งหนักเข้าไปอ่ะจริงนอกจากการทําบุญทำกุศลที่เราผู้รู้จักที่เราควรจะคาดหวังให้มันพอดีพอดีแล้วเนี่ยหรือตระหนักว่า ความคาดหวังมันก็จะเป็นโทษได้น่ะแต่การปฏิบัติธรรมในการเจริญสติการทําสมาธิก็เหมือนกันนะหลายคนทําด้วยความคาดหวังที่สูงแล้วพอมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังนี้ก็ทุกข์มากมีผู้หญิงคนนึงเป็นมะเร็งนะตอนที่ไม่เป็นมะเร็งนี้ก็เป็นคนที่ขยันปฏิบัติธรรมมาก คันพอเป็นมะเร็งแล้วก็อาการก็แย่ลงไปจนถึงระยะท้ายมีความทุกข์ทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดกายอย่างเดียวนะแต่มีความทรมานในจิตใจด้วยเพราะเธอรู้สึกว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันล้มเหลวที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไช่วยทำให้ความทุกข์ทรมานมันลดลงเลยปวดก็ยังปวดอยู่ ทำไมการเจริญสติการทำสมาธิไม่ช่วยทำให้ความทุกข์มันลดลงเลยรู้สึกผิดหวังนะผิดหวังกับการปฏิบัติแล้วก็ผิดหวังในตัวเองด้วยนะที่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะป่วยกายอย่างเดีวยวนะปวดใจด้วย ปวดใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังคือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็อยากจะให้ความเจ็บปวดทุกขเวทนามันหายไปพออยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปก็คาดหวังว่าการปฏิบัติมันจะช่วยกระจัดปัดเป่าทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดได้ แต่ครั้นเนี่ยความเจ็บปวดไม่ลดลงก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังที่การปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันไม่ช่วยตัวเองเลยแล้วก็ผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคาดหวังนะคาดหวังประการแรกคืออยากจะให้ความเจ็บปวดมัน หายไปล้วคาดหวังว่าการภาวนามันจะช่วยกำจัดความเจ็บปวดไปได้พอมันไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็เลยเกิดความขับแค้นใจเกิดความผิดหวงังก็กลายเป็นว่านอกจากทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยที่จริงนเนี่ยนะถ้าว่าเรา ภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะเราจะวางใจได้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์อันนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยมุ่งที่จะดับหรือขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทา น, หนาหรือจะเป็นความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดแต่จริงแล้วเนี่ยภาวานาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ยมันควรเป็นไปเพื่อเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกท์นี้ถ้าเราภาวานาหรือปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะดับความทุก หรือเพื่อที่จะขจัดทุกขเวทนาเนี่ยพอทุกขเวทนามันไม่ดับมันไม่หายเนี่ยโอจะทรมานมากเลยเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังแต่ถ้าเราภาวนาโดยไม่ได้คาดหวังว่าทุกขมันจะดับแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกขเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่า เพราะว่าเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักอยู่กับมันได้มันก็จะทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกทาไมจะอยู่กับมันได้นะก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะ รู้สื่อๆนะเมื่อเจอมันให้การฝึกจิตให้ยอมรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะส่วนใหญ่นักภาวนาเนี่ยไม่ได้เวลาภาวนาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะฝึกใจให้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจ มุ่งแต่จะไปกําจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจเช่นความคิดทุ่งสร้างหรือต่อไปก็ทุกขเวทนาและพอภาวนาด้วยมีด้วยความคาดหวังแบบนี้แล้วเนี่ยพอสิ่งที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยไม่สามารถจะยอมรับได้ความทุกข์ของผู้ป่วยคนนี้เกิดขึ้นจากจากการที่ไม่สามารถยอมรับทุกขเวทนาได้ และ2ไม่สามารถจะยับับตัวเองได้ว่าไม่สามารถจะขจัดความเจ็บปวดออกไปและทั้ที่ปวดมากนะเธอก็อยกุดปฏิเสธที่จะรับยาระงับปวดเพราะเห็นว่าเธอถือว่านักภาวนาต้องไม่ต้องไม่รับมอร์ฟีนถ้ารับแล้วมันจะเหมือนว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีหรือ เสียอะไรเ ส, เสียหน้าก็ได้ก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานเข้าไปอีกก็เรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเนี่ยฉันเป็นนักภาวนาเนี่ยฉันต้องไม่รับยาระงับปวดทั้งที่ตัวเองนี้ก็ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดมากในด้านหนึ่งก็ เป็นพอคาดหวังจากการภาวนาว่าต้องระงับความปวดได้แต่พอความปวดมันไม่หายยิ่งผิดหวังก็ผิดหวังในตัวเองในเรื่องนี้เนหลวงปู่ขาต้องพูดดีนะท่านบอกว่าอันทุกขเวทนาเนี่ยนะอย่าอยากหายนะก็ ถ, ถ้าอยากหายเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มสมุทัย หรือผลิตซ้ำความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าอยากไม่ยให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจคือแทนที่จะปฏิเสธทุกขเวทนาหรือแทนที่จะมุ่งกำจัดมันเพราะความอยากหายก็มาเรียนรู้จากทุกขเวทนานั้นยอมรับมัน แล้วก็หาประโยชน์จากมันให้การภาวนาเนี่ยเพื่อจะดับรั ง, งับนะเช่นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับการภาวนาเพื่อที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยการรู้ซื่อๆรู้โดยไม่ผักใสไม่ไหลาตามไม่ใช่เพราะมัน ไม่ใช่เอราคาดหวังให้มันหายไปแต่เรนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วดูมันเห็นมันไม่คข้าไปเป็นมันด้วยอาการรู้ซื่อ อ, อันนี้ใช้สตินะในการที่จะอยู่กับมันหรือไม่ใช่ก็ใช้ปัญญาคือเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่าเป็นธรรมดาฉะ้ท่านจะภาวนาภาวนาเพื่อเห็นไม่เข้าไปเป็นจะดีกว่าภาวนาเพื่อที่จะ ยอมรับหรืออยู่กับมันด้วยการรู้ซื่อๆดีกว่าคาดหวังว่าทําแล้วนี่มันจะไม่ฟุง้งซ่านมันจะไม่มีทุกขเวทนาเพราะถ้าทําอย่างนั้นวางใจแบบนั้นมันจะเกิดความคาดหวังและความคาดหวังนี่ล่ะนะที่มัย้อนกลับมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆโดยไม่คาดหวัง ว, ว่ามันจะต้องหายไปมันอยู่ก็อยู่ เราก็เรียนรู้ดูมันไปเห็นมันเป็นธรรมดาแบบนี้ยากนะไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันจะเป็นหลักประกันว่าการภาวนานี่มันจะไม่ก่อผลในทางลบเพราะว่าถ้าเาภาวนาผิดนี่มันก็สร้างทุกข์ให้กับเราได้มากเนี่ยมือนก็บยาคาเนี่ยย่าคาถ้าหาว่าจับไว้ไม่ดีมันก็บาดมือการภาวนาถ้าทำไม่เป็นหรือวางใจผิด มันก็สร้างทุกข์ให้กับเรามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักภาวนายต้องระมัดระวังมากแล้วก็ใส่ใจ